อ, อนุญาตออกบวช26ต่อมาสุธินกลันทบุตรทมธุระในกรุงเวสาลีเสร็จแล้วกลับไปหามารดาบิดาที่กลันทคามครั้นถึงแล้วจึงกล่าวกับมารดาบิดาดังนี้ว่าคุณพ่อคุณแม่ทำตามที่พระผู้มีพระภาคทรงสแสดงนั้นลูกเข้าใจว่าการที่ผู้อยู่ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์อย่างยิ่งเหมือนสังที่ขัดแล้วนี้ไม่ใช่ทาได้ง่าย ลูกปรารถนาจะปลงผมโกนหนวดนุ่งห่มผ้ากาสายะออกจากเรือนไปบวชเป็นอนาคาริกคุณพ่อคุณแม่โปรดอนุญาตให้ลูกออกไปบวชเป็นอนาคาริกเถิดเมื่อสุทินกลันทบุตรกล่าวอย่างนี้มารดาบิดาตอบว่าลูกสุทินเจ้าเป็นลูกคนเดียวเป็นทิรักที่ชอบใจของพ่อแม่จเจริญเติบโตมาด้วยความสุขสบายได้รับการเลี้ยงดูมาอย่างดีความทุกข์ยากสักนิดหนึ่งลูกก็ยังไม่รู้จักถึงลูกจะตายไป พ่อแม่ก็ไม่ปรารถนาจะจากแล้วเหตุไฉนพ่อแม่จะยอมให้ลูกผู้ยังมีชีวิตอยู่ออกจากเรือนไปบวชเป็นอานาคาริกเล่าสุทินกลันทบุตรได้กล่าวกับบารดาบิดาดังนี้เป็นครั้งที่สองเป็นครั้งที่3แม้ครั้งที่3มารดาบิดาก็ตอบว่าลูกสุทินเจ้าเป็นลูกคนเดียวเหตุไฉนพ่อแม่จะยอมให้ลูกผู้ยังมีชีวิตอยู่ออกจากเรือนไปบวชเป็นอนาคาริกเล่า27่สิดลำดับนั้นสุทินกลันทบุตรวิตกว่า มารดาบิดาไม่อนุญาตให้เราบวชแน่จึงนอนบนพื้นที่ไม่มีเครื่องปูลาดหน้าที่นั้นเองตัดสินใจว่าเราจะตายหรือจะได้บวชก็ที่ตรงนี้แหละและแล้วเขาก็อดอาหารไปเรื่อยๆตั้งแต่หนึ่งมือม้อสองมือม้อสมมือ้อสี่มื้อห้ามื้อ6มือ้อจนถึงเจดมือ้อ